1. นชะอาปติสมุดฐานะวาระวาระว่าด้วยสมุดฐานแห่งอาบัติ6สมุดฐาน 276- ถามด้วยสมุดฐานแห่งอาบัตข้อที่หนึ่งภิกษุต้องอาบัตปาราชิกหรือตอบไม่ต้องเลยถามต้องอาบัตสังฆาทิเศตหรือตอบ ต้องก็มีถามต้องอาบัตทุลใจหรือตอบต้องก็มีถามต้องอาบัตปาจิตต <MANDARIN denial> ีหรือตอบต้องก็มีถามต้องอาบัตปาติเทสนียะหรือตอบต้องก็มีถามต้องอาบัตทุกกฎหรือตอบต้องก็มีถาม ต้องทุพภาสิทธิ์หรือตอบไม่ต้องเลยถามด้วยสมุดฐานแห่งอาบัติที่สองภิกษุต้องอาบัติปาราชิกหรือตอบไม่ต้องเลยถามต้องอาบัติสังฆาทิเศษหรือตอบต้องก็มีถามต้องอาบัติทุลจัยหรือตอบต้องก็มี ถามต้องอาบัตปาจิตติหรือตอบต้องก็มีถามต้องอาบัตปาติเทสนียะหรือตอบไม่ต้องเลยถามต้องอาบัตทุกกฏหรือตอบต้องก็มีถามต้องทุพภาสิทธิ์หรือตอบไม่ต้องเลยถาม ด้วยสมุดฐานแห่งอาบัตที่สภิพิุต้องอาบัตปาราชิกหรือตอบไม่ต้องเลยถามต้องอาบัตสังฆาทิเศษหรือตอบต้องก็มีถามต้องอาบัตทุลใจหรือตอบต้องก็มีถามต้องอาบัตปาจิตตีหรือตอบ ต้องก็มีถามต้องอาบัตปาติเทสนียะหรือตอบต้องก็มีถามต้องอาบัตทุกกฎหรือตอบต้องก็มีถามต้องอาบัตทุกภาสิทธิ์หรือตอบไม่ต้องเลยถามด้วยสมุดฐานแห่งอาบัตที่สี่ พิสุต้องอาบัติปาราชิกหรือตอบต้องก็มีถามต้องอาบัติสังฆาทิเศตหรือตอบต้องก็มีถามต้องอาบัาติทุลัจัยหรือตอบต้องก็มีถามต้องอาบัติปาจิตติหรือตอบต้องก็มีถาม ต้องอาบัตปาติเทสนิยะหรือตอบต้องก็มีถามต้องอาบัตทุกกฎหรือตอบต้องก็มีถามต้องทุกภาสิทธหรือตอบไม่ต้องเลยถามด้วยสมุดฐานแห่งอาบัตที่หภิกษุต้องอาบัตปาราชิกหรือตอบ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 ไม่ต้องเลยถามต้องอาบัตทุกกฎหรือตอบต้องก็มีถามต้องทุพพาสิทธิ์หรือตอบต้องก็มีถามด้วยสมุดฐานแห่งอาบัตที่6ภิกษุต้องอาบัตปาราชิกหรือตอบต้องก็มีถามต้องอาบัตสังคาทิเศตหรือ ตอบต้องก็มีถามต้องอาบัติทุลใจหรือตอบต้องก็มีถามต้องอาบัติปาจิตเตี๋ยหรือตอบต้องก็มีถามต้องอาบัติปาติเทสนียะหรือตอบต้องก็มีถามต้องอาบัติทุกกฎหรือตอบ ต้องก็มีถามต้องทุพภาสิทธิหรือตอบไม่ต้องเลยฉอาปัติสมุทฐานะวาระที่หนึ่งจบ